ธรรมะคุ้มกลองผู้ประพฤติธรรมเมตตาค้้จุนโลกคนถ้าไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งมีอำนาจนะน่ากลัวที่สุดเลยทำกรรมชั่วได้มากกว่าคนทั่วๆวไปงั้นธรรมะสำคัญมากเลยย่งเราเติบโตขึ้นทุกวันนะคนหนุ่มคนสาวบางคนก็มีอำนาจอยู่ในมือมากบ้างน้อยบ้างนะ ถ้าไม่มีธรรมะนะทำชั่วได้เยอะคนใหญ่คนโตนะคนมีอำนาจไปอบายเยอะเลยมีอำนาจแล้วทำกรรมชั่วชั่วได้เยอะทําความเดือดร้อนให้คนทีหนึ่งได้เยอะแยะเรื่องธรรมะสําคัญพวกเราต้องศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละนะวันหนึ่งข้างหน้าเกิดมีอำนาจขึ้นมาจะได้ไม่ชั่วหรือถึงไม่มีอำนาจนะศึกษาธรรมะไว้ก็มีความสุขอยู่แล้ว อย่างนั้นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนรอบๆบตัวไม่เบียดเบียนสัตว์พวกสัตว์น่าสงสารมากเลยเมื่อก่อนลวงพ่อเกิดในกรุงเทพมันไม่ค่อยเห็นสัตว์มันรู้จักสัตว์อยู่ไม่กี่ตัวรู้จักหมาแมวก็นกอยู่สองสามอย่างมาอยู่ในวัดเนี่ยเห็นสัตว์เยอะแยะเลยสัตวนะ์นั้นมันเบียดเบียนกันตลอดเวลาเลยกาลังอย่างนกนะบินบินเพลินเ ล, อ, นเล อ, นอยู่ถูก นกที่ใหญ่กว่าจิ๋แล้วลงมันเดินตามพื้นเหนือสัตว์อื่นก็กัดออกสัตว์นี้นะมันต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดดนะิ้นรนหายอยู่หากินเนี่ยโหโหดมากเลยถ้ามันประมาทมันเผลอนี่เดี๋ยวนะ้นมันตายครับสัตว์มันลาบากอยู่มากแล้วโดยตัวของมันเองนะเราอย่าไปซ้ําเติมมันอาจจะญาติเก่าเราก็ได้บางคนใจร้ายกัตริย์นะ บางคนบอกปฏิบัติทรรมนะมองศาไปหาหมาหาอะไรมาเลี้ยงนะเพื่อให้ภาพพจมันดูดีว่ารักสัตว์ <c oughs> มันไม่รักจริงถ้าใจของเราอ่อนโย น, นใจเรามีเมตตาแต่เรารักสัตว์รักคนอื่นรักอะไรตอนน่ออะไรนะใจเรานุ่มนวลอ่อนโย น, นภาวนา ง, ง่ายนะแต่รักเราอย่าไปหลงมาเป็นเจ้าของนะ ให้มีเมตตาไม่ใช่มีราค า, าใจเราเจริญเมตตาอยู่เรื่อยใจเรามีความสุขใจเรามีความสงบพอานาง่ายจิตใจถ้ามีแต่กิเลสเล้าร้อนแผดเผาตลอดเวลาภนะาวนานลาบากางั้นอะไรที่ดีๆนะที่เป็นกุศลเราค่อยๆสะสมของเราไปอย่างการเจริญความเมตตาอะไรงี้มันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไร หรความดีอย่างอื่นก็มีอีกเยอะแยะเช่นการเจริญมรณาสติคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะเราตายเมื่อไรก็ได้อนะไรเงี้ยคอยเตือนตัวเองอะไรดีๆเราคอยทำไปเรื่อยๆหรือเรามีศีลตั้งใจรักษาศีลนะเข้มงวดในการรักษาศีลเราจะพอนางง่ายศีลช่วยกล่อมเลาให้ใจเราสงบง่าย เคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่เมืองจีนเ็ามีลูกเล็กๆมีเมียทำไร่ทำนารักษาศีลนี่เรียนมาจากสายวัดเซนรักษาศีลไม่ยอมเลี้ยงไก่ไม่ยอมไปจับปลาไม่ยอมอะไรชาวบ้านเยาะเยอเยอว่าโง่มีชีวิตลำบากครอบครัวก็อดๆอยากๆนะทำแต่ทำนาอย่างเดียวปลูกผักอะไรเงี้ย ปลูกผักก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะปลูกปลูกไปตัวอะไรก็ไม่กินหมดเลยนะเขาก็รักษาศีลท่ามกลางความอดอยากท่ามกลางคนเยาะเย้ยนะคนเยาะย้ยสำคัญนะทำให้คนที่ตั้งใจดีเสียไปเยอะแล้วปากของคนอื่นนะะเราอย่าไปสนใจปากใครคนระับนะรักษาศีลเข้มงวดมากเลยจนกระทั่ ง, งถึงขนาดอดตายนะ ลูกนี่อดตายลูกตายก่อนเลยตัวเองกับภรรยาพยายามเข้าไปในเมืองไปหางานทำเสร็จแล้วก็ไปตายนี่เขาถือศีลเข้มงวดถือศีลแบบยอมตายเลยนะเรียกว่าเป็นอะไรปรมัดทบารมีนะเป็นบารมีอันยิ่งเลยนะเวลาคิดถึงศีลจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานนะภาวนาง่าย ้็คนที่กล้าถือศีลจนยอมตายอะไรนีนะ่ความรักในตัวเองความคงแหนตัวเองเนี่ย ม, มันลดลงละมันถูกขัดเกลาร์งันเวลาไปภาวนาเพื่อจะละความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะทําง่ายนะหรื อ, อยังคิดถึงความตายเรื่อยๆนะความรักในตัวในตนอะไรมันก็ค่อยๆลดลงเปนะ็นกล่อมเกลาจิตใจนะอย่างบางคนมีฐานะบารมนะีกล้าสละ เพื่อคนอื่นไปสละเลือดสละอะไรเนี่ยมันก็ลดละความยึดถือในตัวในตนลงาภาวนา ง, ง่ายนั่นคุณงามความดีทั้งหลายกรทั่งความเมตตาความการุณนานะเราจเจริญไว้จิตใจที่มีธรรมะมีกุศลฝ่ายดีๆนี้นะมันจะภาวนา ง, ง่ายแต่ต้องมีสติรู้ทันนะไม่ว่าจ ะ, จะเจริญกุศลอะไรตัวหนึ่งที่ไม่ทิ้งเลยคือเบกขา ถ้าทิ้งอุเบกขาไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเมตตามากๆนะถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสติไม่มีปัญญากำกับจะไปพลิกเป็นราคะได้มีกรุณามากๆนะไม่มีอุเบกขากำกับจะพลิกไปเป็นโทสะได้ใหนะ้เราคอยดูอย่างมุทิตานะเห็นเขาดีแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยยินดีด้วยแต่มันดีไม่เลิกอะ่ะทําไมเราไม่ดีอย่างมันสักทีนะชักไม่อุเบกขาแล้ว ทีแรกก็ยินดีกับมันนะตอนหลังยินดีด้วย <c oughs> กัดฟันนะยินดีด้วยให้เรามีสตินะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆกุศลของเราถึงจะสะอาดหมดจดถ้าไม่มีสติไปทำบุญทำอะไรบางทีอากุศลแทรกเข้ามาไม่ดีคอยรู้ทันเรื่อยๆ ใจิตใจที่เค้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่จะภาวนาง่ายอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมันช่วยให้ลดละความยึดถือในตัวเองลงไม่จริงจังอย่างพระเวสสันดรภาวนากล้าบอกสลาชีวิตก็ได้นะถ้าใครมาขอชีวิตก็จะให้เวลาท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งใต้ต้นโพท่านภาวนาไปท่านรู้สึกจะตายละ กลาสละชีวิตนะตายก็ตายเพื่อเพื่ อ, อธรรมะเพื่อแสวงหาธรรมะในทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นความดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยให้เราพอนางง่ายให้เราสํารวจใจของเราความชั่วอะไรยังไม่ได้ละนะก็ละเสียความดีอะไรยังไม่ทําก็ทําเสียแล้วก็ตลอดเวลานั้นก็จเจริญสติไปรู้กายรู้ใจของเราไปได้รู้ทันโดยเฉพาะรู้ทันจิตใจของตัวเองรู้บ่อยๆ ทำชั่วได้ก็เพราะว่าไม่รู้ทันใจตัวเองทำดีได้แล้วก็ดีไม่สมประกอบก็เพราะไม่รู้ทันใจตัวเองทำดีแบบกระพ้องกระแร้งอย่างบางคนนะศรัทธาแรงกล้าเมื่อก่อนมีบางแห่งโฆษณาให้บริจาคมากๆอย่างเงี้ยบางที่ชอบโฆษณาให้บริจาคเสียงเงินเยอะๆบางคนฟังแล้วศรัทธานะอยากไปเป็นเทวดานางฟ้าอะไรเี้ยจะได้มีความสุขหลังจากตายแล้ว ไปขายบ้านนะเอาเงินไปให้พระโอ้พระมีความสุขเลยตัวเองไม่มีบ้านอยู่ยังไม่ทันจะขึ้นสวรรค์เพราะยังไม่ตายตกนรกซะ ก, ก่อนลนะจิตใจเศร้าหมองกลับบ้านสามีเตะเขาใ ห, ห้เอาบ้านไปให้คนอื่นขายไปแล้วอะไรเนะื้อชีวิตลําบากเนี่ยทำความดีนะไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่ไหนพอดีแค่ไหนไม่พอดี ถ้เราใครสํารวจใจนะมีสติเราก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญามีสติก็ละชั่วมีสติก็ทําความดีมีสติจิตก็ผ่องแผ้วนะสตินี่นเราเป็นพื้นฐานที่สําคัญเราอย่าดูถูกอากุศลเล็กๆน้อยๆเราอย่าดูถูกกุศลเล็กๆน้อยๆนะอกุศลใหญ่ๆก็มาจากอากุศลเล็กๆนะกุศลใหญ่ๆมันก็มาจากากุศลเล็กๆนะั่นแหละ ใจที่ผ่องแผวนิดหน่อยนะฝึกไว้ตอนนี้ยังนิดหน่อยอยู่ฝึกไปเรื่อยต่อไปมันก็เยอะขึ้นเองก็ผ่องแผ่วเยอะขึ้นเองสิ่งที่ใหญ่โตทั้งหลายมันก็มาจากจุดเล็กๆด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนภาวนาทําไมเข้าภาวนา ง, ง่ายอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์ทำไมครูบาอาจารย์ดูมีความสุขอย่างเลยแก่เท่ายัางไงก็ดูมีความสุขในขณะที่ชาวโลกนะั้นมองไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดมีแต่หลอกกันนะ อย่างพวกเราแต่ละคนเราก็หลอกๆกันแต่ละคนทุกทั้งนั้นเลยแต่เราก็ไม่พูดให้คนอื่นรู้ใช่ไหมเราก็ซ่อนๆไหมเจอคนอื่นเราก็ยิ้มไปยิ้มมาวางท่าไว้ฉันก็มีความสุขเหมือนกันเราเข้าจริงนะแต่ละคนก็ซ่อนความทุกข์เอาไว้เต็มไปหมดเลยทุกคนทุกคนบางคนก็โง่ไม่รู้นะบางคนก็รู้ว่าซ่อนอยู่ถ้าคนไหนไม่รู้ก็ไม่มีทางพ้นคนไหนรู้ก็พ้นได้ ดงนนในโลกก็เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยดูครูบาอาจารย์ทําไมภาวนาไปเรื่อยมีความสุขนะบังองค์โสมมากเลยนะแก่เท่าอาหารการกินอะไรไม่ค่อยมีอยู่ความเป็นอยู่ลําบากแต่พอเข้าไปใกล้เรารู้เลยว่าท่านมีความสุขเยอะกระแสของความสุขเนี่ยแผ่ซ่านออกมายัมีครูบาอาจารย์องค์ชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมนี่เป็นคนสุรินไม่ใช่คนจีนนะเห็นชื่อกิมไม่ได้แปละว่าทองนะ หรือไม่ใช่กิมกิกที่แปลว่าส้มนั่นชื่อกิมภาษาเขมรแปลว่าอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อกิมนีอยู่วัดป่าดงคูวัดชาวบ้านก็จนนะใครใก็จนเหมือนกันหมดเลยในวัดก็ลําบากสมัยโน้นนะสมัยนี้ไม่ค่อยลําบากแล้วตอนท่านไม่สบายมาเข้าโรงพยาบาลนะทั้งฆ่าทั้งชีทั้งโยมมีเงินเท่าไหร่หน้าเอามาหมดเลยมาช่วยท่าน ท่านไปนโรคลำไส้อุดตันตอนนั้นหลวงพ่อกับแม่ชียังไม่บวช ด, ดิบพี่ชายแม่ชีเป็นหมอพากันไปนะไปวัดท่านไปถึงไม่เจอท่านกำลังนอนอยู่ท้องป่องเลยแต่ตาแป๊วหมอก็ไเป็นกดกดนะบอกโอ้ลาไส้อุดตันนี่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะั้นดิ้นเล่าเล่าไปแล้วนี่ท่านยังนอนตาแป๊วๆปวนอนดูร่างกายมันจะตายนะ เราก็ช่วยกันนี่หม่นท่านนะประคับประคองพาขึ้นรถมายขึ้นรถเก๋งธรรมดานี่แหละนั่งข้างหน้านะมว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ดิ้นไปแล้วนะพาท่านมาโรงพยาบาลบอกต้องผ่าแน่นอนนะยังไงก็ต้องผ่าวันนั้นเขาก็ผ่านนะแต่พอผ่าแล้วปรากฏลําไส้ท่านเนี่ยมันบางอย่างกร ะ, กระดาษทิชชู่เนยต่ อ, อยังไงก็ไม่ติดบางมากเลยพราะขาดอาหาร ทังวัดนะกินข้าวเหนียวจิ้มพริกจิ้มเกลืออะไรอยู่กันอยู่เรยนะไม่ค่อยมีอย่างอื่นเลยนะนี่ทำไมท่านก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะัถ้าเป็นเรานะอดขนาดนนเราก็ทุกข์แล้วเห็นไหมเจ็บป่วยขนาดนั้นก็ทุกข์นะท่านก็นอนตาแป๋วแปวไปพาท่านนะเสร็จแล้วตอบไม่ได้ส่งมาสิริราชนะมาติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็พาท่านกลับวัดตอนท่านกลับวัดนะท่านก็ทําสมาธิ จะต้องไปให้ถึงวัดให้ได้ท่านกะจะไปหมรณภาพที่วัดเสร็จแล้วท่านก็ตายไปเคนขนาดจนมากนะอดอยากมากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ท่านยังมีความสุขของท่านพวกเราสี่ตูมีอยู่มีกินใครกินวันหนึ่งเกินสามมื้อมีไหมไม่กล้าสารภาพมีเยอะเลยเยอะเลยแต่ หลบลบหลีกหลีงเต็มเลยนะผู totally s right. <S ้ชายทำไม่รู้ไม่ชินะผู้หญิงจะกระบิดกระบวนนะกินทั้งสามมือมีความสุข嘛กินสีมือห้ามือมีความสุขแค่ไหนมีเสื้อผ้ากี่ชุดเออมีความสุขไหมนี่หลวงพ่อมีอยู่ชุดเดียวเที่ยวรอบโลกได้มีความสุขได้มีรถกี่คันบางคนมีหลายคัน มีความสุขมากไหมมีบ้านหลายหลังมีความสุขมากไหมมีเมียหลายคนมีความสุขไหมบางคนมีเ ม, มียหลายคนบางคนมีสามีหลายคนนันมีความสุขเลยมีมากเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยจะสุขเท่าไหร่หรอกนะสิ่งที่มีมีในชาวโลกเขามีนะมีมาพร้อมกับภาระทั้งนั้นเลยมีมาพร้อมกับภาระมีบ้านก็ต้องดูแลใช่ไหมมีรถก็ต้องดูแลมีลูกมีเมียมีสามีก็ต้องดูแลมีอะไรก็ต้องมีภาระขึ้นมาเรื่อย ถ้ามีธรรมะนะ้าใจโปร่งใจโล่งใจเบามีความสุขธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่ของไกลตัวธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่สนใจมันน่าอนาจใจนะธรรมะอยู่กับเราแท้ๆเลยเราไม่มีเราไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็คือกายกับใจของเราเองกายก็เป็นธรรมะชื่อว่ารูปประธรรมจิตใจเป็นธรรมะชื่อว่านามธรรม เราไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่อื่นนะให้เราคอยรู้ลงที่กายที่ใจเนี่ยกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้นะกระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางบอกวิธีให้เพราะท่านบอกวิธีให้เราเจริญสติมารู้กายรู้ใจเนี่ยท่านบอกให้อย่างนี้เราก็ต้องมาดูกายดูใจของเราเองกายกับใจของเรานี่แหละจะสอนธรรมะให้เรา กายของตัวเองใจของตัวเองนะดูอย่างนี้อย่าไปดูของคนอื่นไปดูกายคนอื่นเนีย่ยก็เกิดกิเลสไปดูใจคนอื่นก็เกิดกิเลสเราดูของเราเองดูกายดูใจตัวเองไปมีไม่ใครไปดูดูกระจกรู้สึกโอ้ชั้นนี่สวยจังเลยก็ต้องมีนะยังไงมันก็ต้องมีแหละก็มันรู้สึกสวยจริงๆมันจะดูแบบไปเห็นแค่ผิวหนังตาไม่ไม่ลึกซึง้งพอ ต, ตาลึกซึ้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ บางคนตาเหมือนแม่นขยายนะดูลงไปเนี่ยหนึ่งตารางนิ้วนะแผ่ออกมาได้เป็นเม็ดเมดเราเห็นโอ้โหนักเดียดฉมัดเลยนะมีแว่นขยายลูกตาบางคนแค่เราคอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจค่อยดูมันไปถึงเราไม่มีแว่นขยายอย่างที่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคอยรู้สึกมันไปเรื่อยรู้สึกกายรู้สึกใจไปถึงวันหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดปัญญาไม่ได้ต้องเห็นนะร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ เพความจริงมันทุกขนะ์เราจะไปดูของจริงแล้วเราจะไปเจอว่าร่างกายมีแต่ความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้เรามีสติคอรู้อยู่ที่ร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่เดี๋ยวก็คันเนี่ยหลวงพ่อเทศมาตั้งนานแล้วมีใครยังไม่คันบ้างไหมยกมือสิเหมือนกันทุกวันเลยนะมันไม่ยอมยกมือสักคนทําไงก็ไม่ยกถามมุมไหนก็ไม่ยอมยกเลยยิ้มไปยิ้มมานะ รู้สึกไม่นั่งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็คันตรงน้อยคันตรงนี้ใช่ไหมมันต้องเก่าแล้วก็ทุกข์นั่นแหละมีใครนั่งแล้วยังไม่ขยับตัวไหนไห ม, มก็ไม่มีใช่ไหมนั่งก็พลิกคล้ายพลิ ก, กว่าทำไมต้องพลิกไปพลิกมามันทุกข์嘛มันทุกข์ตลอดเวลาเลยมันทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเพราะั้นถ้าเรามีสติคอยรู้กายไปด้วยนะอย่าลืมมันแต่อย่าไปเพ่งมันนะแค่รู้เฉยเฉย อย่าลืมกายแล้วก็อย่าไปเพ่งกายรู้สึกกายไปเรืยเห็นนึกไม่มีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเคล็ดขัดยอกเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวต้องการขับถ่ายบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เนี่ยเฝ้ารู้สึกอยู่ที่กายเรืยเรียกว่าเราเรียนธรรมะเราจะเห็นความจริง กายจะสอนธรรมะให้เราเห็นเลยว่ากายนี้มีแต่ความทุกข์นะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยแล้วถ้าเราคอยดูใจใจก็เป็นธรรมะเรียกว่านามารำเป็นนามรรมเราดูที่ใจเราเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแป ล, เปลงเรื่อยๆเราอย่าเผลอลืมใจของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่เพ่งอยู่ที่ใจดูกายก็ไม่เผลอลืมกายนะแล้วก็ไม่เพ่งกายเวลาดูใจก็ไม่เผลอลืมใจเราก็ไม่เพ่งจิตใจแค่รู้ มันมีคําอยู่3ามคำนะคำว่าเผลอคําว่าเพ่งับว่ารู้เผลอเนี่ยมันลืมลืมกายลืมใจนะเพ่งไว้ก็เพ่งกายเพ่งใจก็ได้เพ่งของอื่นก็ได้นะรู้เนี่อรู้กายรู้ใจนะดีกรียของการรู้กับดีกรียของการเพ่งไม่เหมือนกันการเพ่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อยากจะรู้พออยากรู้แล้วไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตานะพอจ้องไม่ให้คลาดสายตานะจิตก็เข้าไปแนบไปเกาะ อยู่กับสิ่งที่เราไปจ้องเช่นบางคนดูท้องพองยุบจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นเรียกว่าเพง่งเดินจงกรมแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนั้นเรียกว่าเพง่งรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าเพงนะ่งส่วนคาว่ารู้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความอยากรู้นะไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้แต่ว่ามันเป็นการฝึกสติของเราหัดรู้จักสภาวะบ่อยๆรู้ไปเรื่อย ต่อไปพออะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะสติระลึกขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นเองตรงที่มันรู้ได้เองไม่ได้จงใจจะรู้นี่แนหะมันไม่เจือด้วยโลภะมันเป็นสติตัวแท้ตัวจริงเราจะรู้ขึ้นมามันจะไม่เหมือนเพ่งเพ่งมันเจือด้วยโลภะหลงไปก็เผลอไปก็เจือด้วยโลภะหลงไปงั้นถ้าเราคอยรู้สึกนะคอยรู้ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน ไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้เบื้องต้นก็แค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจต่อไปเราดูเรื่อยๆนะเราเห็นกายเห็นใจมันทำงานเรื่อยเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเะนนเบื้องต้นนนแค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งมันแค่รู้ว่ามันมีอยู่ร่างกายมีอยู่จิตใจมีอยู่พวกเราสังเกตไหมเรามีกายมีใจอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปบ่อย เวลาเราใจลอยเวลาเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราจะลืมกายลืมใจตัวเองแต่ละคนก็ลืมกายลืมใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันนะเราก็รู้สึกขึ้นมาแล้รู้กายรู้ใจอย่าไปเพ่งแค่รู้สึกเวลารู้สึกนี่จะรู้สึกได้ทีละแวบเดียวไม่รู้นานถ้ารู้ได้ทั้ง5นาทีรู้ได้ทั้งหนึ่งนาทีนี่เพ่งเรียบร้อยไปแล้วถ้ารู้แท้ๆจะรู้ทีละแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียว เราจะเห็นในใจนัฉบตลอดเลยใครเคยเห็นมแมลงปอมแมลงปอเวลามันวางไข่ในน้ําใครเคยเห็นไหมนี่โฉบปั๊บก็ขึ้นปั๊บแลขึ้นปั๊บแล้วขึ้นอย่างนี้เรื่อเวลาจิตเข้าไปรู้ก็เหมือนแมลงปอโฉบเลยนะปั๊บก็ขึ้นปั๊บแล้วขึ้นอย่างนี้นะรู้เป็นขณะขณะขณะไปนะไม่นานไม่ใช่ลงไปแปะอยู่ที่น้นําั่นนีั้นจมน้ําตายไปแล้วถ้าเป็นจิตก็คือจิตไปจมอยู่กับอารมณ์แล้วก็มันจะรู้แวบบ รับรับรับไปรู้รับับรับไปเลยนะเบื้องต้นก็แค่รู้ว่ามันมีต่อไปก็เห็นการทํางานของมันเราจะรู้ความจริงจะเห็นความจริงเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาตรงที่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยเรียกว่ารู้ด้วยสติตรงที่เห็นความจริงของมันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้รู้ด้วยปัญญาเฉะการรู้นั้นมีรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญา บางคนรู้ด้วยสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาบางคนมีทั้งสติทั้งปัญญามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาได้นะแต่มีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสติไม่ได้ปัญญาต้องมีเกิดร่วมกับสติเสมอเพรืะฉนใจจะมีสองพวกใจอย่างหนึ่งรู้ตัวขึ้นมามีสติรู้ตัวขึ้นมาไม่เดินปัญญาใจอย่างหนึ่งมีสติแล้วเดินปัญญาด้วยตัวนี้เข้าใจยากเลย เงเบื้องต้นนะเอาแค่ว่าอย่าลืมกายอย่าลืมใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเอาแค่นี้ก่อนฝึกไปบ่อยๆจนชำนิชำนาญแล้ววันหลังหลวงพ่อก็จะบอกเองแหละ ว, ว่าเฮ้ยรู้ตัวแล้วแต่ว่าไม่เดินปัญญารู้เฉยๆรู้ซื่อบือ้อมีภาวนาแล้วก็ไปรู้ว่างๆนะไปอยู่ในความว่างมีแต่ความสุขอยู่เฉยๆเพระนั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องไม่มีปัญญา ถ้าจะมีปัญญาเนะี่ยมันจะเห็นกระบวนการทํางานทั้งในนะเกิดดับวับวับวบวับไปเรื่อยเลยนะแต่ถ้าเพลินมีความรู้สึกตัวนะแต่เพลินว่างๆโล่งๆมีความสุขอันนั้นไม่มีปัญญาเพราะไม่เห็นการทํางานของกายของใจไม่เห็นใจรักถ้าเห็นกายเห็นใจเขาทํางานได้นะใจเป็นคนดูอยู่อย่างสบายๆถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ถ้าไปเพ่งให้นิ่งก็ไม่เดินปัญญาเพ่งมากไป หรือรู้ตัวแล้วโล่งว่างสบายเพลินเพลินก็ไม่ใช่เดินปัญญาอันนี้ตรงนี้ดูยากนิดนึงต้องค่อยๆเรียนเบื้องต้นก็แค่ว่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะฝึกไปใจเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปเรากรู้รู้แล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจแต่หัดใหม่ๆยังไงก็อดเพ่งไม่ได้พอรู้ว่าเผลอต้องก็ต้องกลับมาเพ่งเป็นทุกคนแหละหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนะพอรู้ว่าเผลอไปก็ต้องอุ้ยเผลอไปแล้วต้องรีบดึงเข้ามาเพ่งเอาไว้เป็นทุกคน หัดไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เกิดปัญญาขั้นแรกแรกก็มีสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจไปเรื่อยพอรู้ไปนะดูเขาทำงานไปเรื่อยต่อไปก็เกิดปัญญาอ๋อเขาเป็นไตร ล, ลักษ์หรอกเขาทำงานของเขาได้เองนะอันนี้เรียกว่าอนัตตามันทำงานนะ้มันก็เคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเรียกว่านิจจัง บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตามันทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังอานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแค่อันใดหนึ่งก็พอนะเห็นกายเห็นใจเป็นอานิจจังก็ได้เห็นกายเห็นใจเป็นทุกขังก็ได้เห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาก็ได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ยึดพอไม่ยึดนะใจคลายออกพัดนี้หนักไหม ไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมนี่แต่พอปล่อยออกไปรู้สึกไหมเมื่อกี้หนักกว่าใจเรานี่เหมือนกันนะรู้สึกไหมกระติกหนักพัดเบาวางกระติกลงไปรู้สึกไหมพัดหนักกระติกไม่หนักแล้วทิ้งพัดไปโอ้มันไม่หนักเลยสบายใจเรานี้นะถ้าไปหยิบไปช่วยอะไรขึ้นมามันจะหนักใจคนไทยเก่งนะมีสับเยอะเลยหนักใจใครรู้จักหนักใจหนักใจใครก็รู้จัก ใครเคยเห็นใจหนักหัดภาวนาจะเห็นใจหนักคนทั่วโลกก็รู้จักหนักใจเราภาวนาไปนะเราจะเห็นเลยหนักใจเพราะใจหนักดูไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปหยิบเฉวยเอาไว้นะไม่ยึดกายไม่ยึดใจใจก็ไม่หนักตัวใจเองนะนึกว่าเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ไม่มีน้ําหนักนะเรารู้สึกอย่างนั้นอะ ลงวางธาตุรู้แล้วสิจะรู้ว่าธาตุรู้มีน้ําหนักเนี่ยเหมือนพัดเนี่ยรู้สึกไม่มีน้ําหนักนะพอวางพัดไปแล้วถึงรู้ว่าพัดมีน้ําหนักธาตุรู้ของเราเราภาวนาเนนะี่ยเราอยู่ก็รู้ ม, มีธาตุรู้อยู่ ร, รู้สึกสบายปโปร่งโล่งเบานะไม่มีน้ําหนักแต่วันใดที่วางธาตุรู้ไปแล้วถึงจะรู้โอ้ธาตุรู้ก็หนักเหมือนกันแต่หนักแบบธาตุรู้คือหนักเบาๆหนักหนักน้อยๆฝึกไปนะสนุกสนุกภาวนาน้ํามันชัมันเลย ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นนะ่นึกยังไงก็นึกไม่ออกนึกงไงก็นึกไม่ถึงอัศจรรย์ฝึกเอาหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆหัดทำสมถะอยู่22ปีนะั่นได้เจขวบนะพออายุ29มาเจอหลวงปูดด่ดุลนท่านสอนให้ดูจิตแต่ก่อนเนี้ยทำสมถะเราก็ต้องคิดนะ ทำแล้วจิตต้องสงบใช่ไหมจิตต้องสว่างจิตต้องสบายตอนเล็กๆยิ่งวันนั้นอีจิตต้องออกไปเที่ยวต้องไปรู้โน้นรู้นี่รู้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กายใช่ใจของตัวเองอะ่ะชอบนะเขสนองกิเลสนะแต่แพอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นนะโอ้ยสนุกชะมัดเลยจิตเนี่ยดูจิตนี่ทำไมสนุกอย่างเงี้ยจิตนี้มันช่างวิจิตเสือเกินเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันทํามันนั้นเดี๋ยวมันทําอย่างนี้ จิตนะทำหน้าที่ได้ตั้ง14อย่างเลอัศจรรย์ไ้มจิตทำงานได้ตั้ง14อย่างทาหน้าที่ได้สิบีอย่างจิตนั้นมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลงไม่ใช่กุศลอกุศลจิตมีทั้งที่เป็นทุกข์มีทั้งที่เป็นสุขมีทั้งที่เฉยๆฉยมีหลากหลายจิตมีทั้งที่เป็นโลกียะมีทั้งที่เป็นโลกุตตะจิตมีทั้ง ที่เจือด้วยกิเลสโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านโดผูสงสัยมีทั้งจิตที่ไม่เจือด้วยกิเลสด้วยจิตมันหลากหลายมันน่าเรียนน่ารู้นะมันทํางานได้สารพัดเลยจิตนี้มันดูอัศจรรย์มันเหมือนมันวิ่งไปวิ่งมาได้ด้วยมันน่าสนใจมันน่าเรียนรู้มันทํางานได้แปลกแปลกบางคนนั้นใช้จิตทํางานได้ประหลาดประหลาดนะจิตมันวิจิตจริงๆเหลือสองนาทีเล่าไหม ชอบฟังเรื่องอภินิหารอย่าเล่าดีกว่าเอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ